ความหม่นหมองเกิดจากอะไรได้บ้างทุกวันนี้ถือว่าอยู่ในกรอบของความเป็นคนดีคบเพื่อนดีไม่คิดทำร้ายใครไม่เที่ยวเสียหายทำทานบ้างตามโอกาสแต่กลับคิดมากเครียดเก่งขี้วิตกกังวลง่า ย, ายคล้ายไม่ต้องมีต้นสายปลายเหตุอย่างนี้จะถือว่าจิตกำลังสะสมความหม่นหมองทีละเล็กทีละน้อย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 ไม่หาทางยกตัวขึ้นจากหนองน้านั่นเองหนองน้าที่ว่านี้มีพิษด้วยนะครับเหมือนทาให้สมองเราฝ่อลงได้หดหูท้อแท้และเชื่ออยู่ลึกๆว่าจะไม่มีวันขึ้นจากหนองน้าได้นับว่าแปลกแต่จริงยิ่งนานวันก็จะยิ่งสร่านไปตามเนื้อตัวสะสมไว้ที่จุดต่างๆคล้ายไขยมันมีพิษทาให้ผิดปกติไปต่างๆนานาน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 เพราะเจืออยู่ด้วยความโลภความโลภเป็นตัวชี้ว่าอยากให้ตายเปิดตุค่ากับมาตุค่าคืออนันตริยกรรมให้ผลหนักแน่นที่สุดประกอบกรรมชนิดนี้แล้วเอาคืนไม่ได้ชะล้างหรือชดเชยด้วยวิธีใดๆไม่ได้สำนวนอันเป็นพุทธพจน์คือจะเป็นผู้ไปอบายตกนรกชั่วกับไม่อาจเยี่ยวยาอย่าเสี่ยงเฉียดใกล้เลยเป็นดี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 ไม่ทันไรก็ทวงถามกันต่อหน้าทำพินัยกรรมไว้หรือยังจ้างทนายที่ไหนทาที่ดินตรงโน้นกับรถคันนั้นเป็นของน้องหรือของหนูยิ่งถ้าได้รู้ความจริงว่าตัวเองได้น้อยคำถามระคายโสดจะยิ่งโถมเข้ากระแทกแก้วหูคนใกล้ตายอย่างไม่ปราณีปราัยนั่นคือธรรมดากิเลตมนุษย์รู้รู้กันอยู่แต่ที่ไม่ค่อยจะรู้กัน